ขอเจริญพรโยมญาติมิษาทุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เรามาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งมาพบปะกันในทางกุศลคือมาทาพุทธบูชาและวันนี้วันมิจาขบูชาก็ทราบกันดีว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในบรรดาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา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 ทั้งโดยอุบัติโดยพระกายคือการประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็การอุบัติโดยนามธรรมที่เป็นพระสมมาสัพพุทธเจ้าอันนั้นซึ่งเป็นตัวการอุบัติที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็คือการตรัสรู้นั่นคือการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแต่ถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนกัน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 เพราะเราจะไม่มีเรื่องที่จะจูงให้ไปตื่นเต้นกับเรื่องอื่นพอปรินิพานก็พระพุทธเจ้าโดยพระบรากายในฐานะที่พระ อ, องค์ก็มีสภาวะที่ทรงเป็นมนุษย์ก็ถึงสิ้นชีวิตพูดไงไงพอย่างง่ายๆพระชนมชีพก็ดับเรียวกว่าดับขันธปรินิพานอันนี้ก็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 พระพุทธเจ้าอบัติขึ้นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเรื่องของพระพุทธเจ้าก็เป็นวันพระพุทธวันที่ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตินสูตรแสดงธรรมครั้งแรกอาสาฬาบูชาก็เป็นวนันพระธรรมที่จริงไม่ใช่เราก็เอาว่าวันที่แสดงโอวาทปาติโมกแสดงหลักพระศาสนาเป็นวันพระธรรมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าวันที่แสดงปฐมเทศนา มีพระอญญายสาวกเกิดขึ้นมีสังฆะเกิดขึ้นนะั่นเป็นวันผส์แต่ที่จริงนะถ้าเราจะเปลี่ยนก็ได้นะเราบอกว่าวันแสดงปฐมเทศนาเป็นวันที่ประกาศให้พระธรรมปรากฏก็น่าจะเป็นวันพระธรรมใช่ไหมแล้ววันจารตุรงคสันนิบาตแสดงโอวาทปาติโมงนะั่นเป็นการประชุมผสงครั้งใหญ่นะเป็นมหาสันนิบาตแห่งมหาสาวกมีครั้งเดียว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 ปรารภให้โยมฟังเรื่องของวันวิสาขาบูชาที่เราได้ถือเป็นวันสำคัญสาระสำคัญก็อยู่ที่ว่ามาละลึกถึงพระราตนตรยัยเริ่มตั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเครื่องนำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้าสู่บุญเข้าสู่กุศลได้ทำกุศลเริ่มต้นตั้งแต่โยมละลึกถึงอ้าววันวิสาขาบูชามาถึงแล้วนะ เราก็มีใจดีใจบุญตั้งใจว่าจะไปวัดว่าอารามไปทำบุญไปถวายพระาหารตักบาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก็มโนกรรมจิตใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วหลายท่านไกล้วันวิสาขาบูชาก็มาเตรียมการกันก่อนอย่างที่นี่ทั้งคนในวัดคนนอกวัดญาติโยมก็มาช่วยกันเตรียมงานเนี่ยไม่ได้ทำด้วยความจำใจ ทำด้วยความเต็มใจใจเป็นบุญเป็นกุศลทำอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเนี่ยบุญเริ่มเกิดขึ้นแล้วบุญอย่างนี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุที่เราเรียกว่าวิยาวัจจะไมกุศลโดยมากเราพูดถึงว่าเราทําบุญกุศลก็มีทานศีลภาวนาตัวปันจริงๆเนี่ยเราจะเน้นที่ทานศีลภาวนาแต่ที่จริงก่อนจะมาทําทานศีลภาวนาเนี่ยหลายท่านทํามาก่อนแล้วคือมาช่วยเหลือ รับใช้จัดเตรียมงานเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญเป็ น, น, นกุศลเมื่อการถ้าเรียกว่าวยาวัจจำไหกุศลบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือรับใช้นิบุญโยมบุญอนิยมโยมทํากันอยู่เสมออซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือรับใช้เป็นวายาวัจจำไหแล้วก็เป็นอัธจริยาด้วยอัธจริยาก็คือการบําเพ็ญประโยชน์เป็นสังขาวัตถุประการหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะสาคัญที่จะดาํารินรักษาสังคมให้เจริญมั่นคง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 เป็นวันชดเชยซะวันหนึ่งคือวันจันวันพรุ่งนี้ก็เลยญาติโยมเห็นวันหยุดยาวก็ออกต่างจังหวัดกันเป็นเหตุให้มาน้อยแต่พอมาวันนี้ก็มามากเหมือนกันก็เลยมองไปแง่หนึ่งบอกว่าอาจจะเป็นพระโยมรู้อยู่แล้วว่าวันพรุ่งนี้ก็จะไปวัดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องมาก็เตรียมการนะก็เป็นอย่างนั้นไปเนี่ย ก็มองอยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องดีแต่นั้นแหล ะ, ะตกลงว่าโยมมาเนี่ยก็ทำบุญทำกุศลกันก็สำคัญกันอย่างที่บอกก็คือเริ่มที่ใจให้ใจดีใจบุญใจกุศลเป็นใจที่ผ่องแผ้วมีเจตนาที่ดีตั้งใจทำความดีแล้วก็ใจที่สดชื่นเบิกบานผ่องใสอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพียงแต่เราคิดแล้วก็เราทาอะไรที่ดีีดอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกได้ประโยชน์ ในวันวิสาขาบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาและโยมนอกจากทาปฏิบัติบูชาก็ทําอามิสบูชาด้วยโดยการที่มาถวายดอกไม้ถูบเทียนถวายพระตาหารพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของการทําบุญในวันมาวิสาขาบูชาจะเรียกว่าเป็นการฉลองก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นเราก็จะมา ปรารถกกันอีกว่าอาที่เราบอกว่าไปวัดแล้วให้ได้ครบนัทานศีลภาวนาลมโยมทำก็จะเน้นเรื่องทานก่อนทานก็ตักบาตรเลี้ยงพระอะไรต่างๆถวายโน้ถวายนี่ท่ธรรมบางคนก็อาจจะถวายสังฆทานถ้าศีลก็โดยมากก็ทํากันเป็นสัญลักษณ์ในการรับศีลอย่างเมื่อกี้ในเริ่มพิธีเราก็มีการอาราธนาศีล ร, รับศีลแต่ที่จริง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 เป็นความดีงามแก่สังคมของเรานะซึ่งเราเรียกว่าวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรรีลเหมือนกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเว้นชั่วเราก็ทำความดีไปด้วยในตัวเราเกื้อกูลแก่สังคมของเราด้วยการมาร่วมกันอย่างเงี้ยการอย่างนี้ก็ได้ศีลและแล้วก็ได้ภาวนาภาวนาก็กลับไปอยู่ที่ส่วนลึกที่ว่าเมื่อกี้ก็ที่จิตใจก็จิตใจเบิกบานผ่องใส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 ปัญญาภาวนาเจริญปัญญานี้พระพุทธศาสนานเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยสาระสำคัญในที่สุดก็มาอยู่ที่ปัญญาบุญทั้งหลายเนี่ยมาจบที่ปัญญาการตรัสรู้ก็เป็นเครื่องบอกเราที่ตรัสรู้นั่นคืออะไรก็ตรัสรู้ได้ปัญญาคนพบสัจธรรม ด้วยโพธิญาณเราเรียกว่าบุญรู้โพธิญาณตัวโพธิญาณก็เป็นตัวปัญญาเป็นโพธิเป็นปัญญาตรัสรู้เป็นญาณเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นเข้าใจสัจธรรมเพราะนั้นบุญที่แท้ในที่สุดก็ไปบรรจบที่ปัญญาการที่เราบาเพ็ญทานศีลการที่เรามีศีลสมาธิเนี่ยเป็นตัวเครื่องช่วยให้เกิดปัญญา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 ทำบุญวิสาขบูชาก็ต้องให้บุญได้ถึงปัญญาเลยเนี่ศีล ส, สมาธิปัญญาต้องให้ถึงปัญญาเพราะนั้นเราจึงมีประเพณีกันมาว่ า, าทำทานถวายพัะนาหารเลี้ยงพระแล้วรักษาศีลแล้วก็ต้องมีการฝังธรรมด้วยฝังธรรมนี้จะเป็นหลักมาแต่ไหนแต่ไรมีพระธรรมเทศนาก็เพื่อให้โยมเนี่ยได้ปัญญา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 เป็นคนหิห้มหิมระวังตัวมากไปอะไรต่างๆ ต, ต, ต, ต, ต้องให้มีเสรีภาพทางเพศเป็นไงปัจจุบันนี้ล้ำหน้าฝรั่งเลยใช่ไหมเนี่ยคคนไทยเรานี่ไปไวมากเพราะนะั้นเรื่องแสดงความเห็นไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องกล้าแสดงความเห็นไม่ใช่ละคนไทยเนี่ยถ้าจับจุดไม่ถูกมันจะได้รับโทษเกิดปัญหาจากเรื่องการแสดงความเห็นเนี่ยมากกว่านะจับจุดให้มันถูก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 ฉังนั้นเขาให้มีการแสดงความเห็นเนี่ยเพื่อเป็นช่องทางให้คนเนี่ยึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้หาความรู้สองแล้วก็ให้ความรู้นั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ตัวจริงที่แทนเนี่ยมันก็คือความรู้ถ้าไม่รู้ซะแล้วไม่ได้ประโยชน์เรามาฟังความเห็นคนอื่นเราอาจจะได้แงม่มุมแล้วเราก็จะมองเห็นได้ความรู้แล้วเราเห็นทางไปหาความรู้ นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความเห็นเป็นการแสดงออกเนะี่ยมันต้องมีพื้นฐานที่ความรู้คนที่แสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้เนี่ยมันยุ่งใช่ไหมแล้วนะก็มันไม่รู้แล้วก็มันก็ว่าไปเรื่อยๆไปสองแล้วมันก็ไม่เอาความรู้มาใช้ประโยชน์มาเพียงแต่แสดงความเห็นไปอย่างนั้นเองเนะี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเห็นที่เลื่อนลอยแล้วก็เกิดปัญหาแก่สังคมมากเพราะนั้นะจึงต้องย้ํากันอยู่เสมอบอกว่าให้การแสด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 ไม่รู้ว่าอะไรความจริงเป็นยังไงยังไงกับแสดงกันเลื่อยเปื่อยไปฉะนั้นมันเน้นเรื่องนี้การศึกษามันจะผายุ่งเหมือนกับเรื่องเสรีภาพทางเพศของเมืองไทยเนะี่ยแล้วมันจับจุดไม่ถูกอันนี้ก็จะบอกให้เด็กไทยกล้าแสดงความเห็นไม่ช้าเละได้เรื่องปัญหามาเถอมันไม่หาความรู้มันจะเอาแต่แสดงความเห็นนฉะนั้นเราไปนเน้นกันเรื่องหาความรู้เนี่ยดีที่สุดให้เด็กไทยเก่งขยันหาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ นะการคิดการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นบันไดไปสู่ความรู้ทั้งนั้นนะถ้าคิดเป็นแล้วมันก็ได้ประโยชน์การคิดการเห็นเนี่ยคิดเพื่อหาความรู้เนี่ยคิดหาทางทำไงจะได้ความรู้เนี่ยสาคัญคิดเพื่อหาความรู้หนึ่งแล้วก็คิดใช้ความรู้นะสองอันเนี่ยถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะดีแล้วเราจะรู้ว่าไอ้สองอันเนี่ยมีความรู้เป็นฐานทั้งเส้นใช่ไหม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 น่้นมันก็ต้องคู่กันความรู้คู่กับความคิดอย่าให้เป็นความคิดเห็นเรื่องลอง่อนเลื่อนลอยเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเวลาเนี้ยการศึกษาซึ่งเรือโยงไปถึงเวิชาการของคนไทยเนี่ยถ้าหามันจับจุดผิดแล้ววิชาการนั้นมันก็เลื่อนลอยวิงทีก็เหลวไหลเนี่ยอย่างน้อยก็ละหลวมคือมันไม่ได้มีฐานของความรู้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 เราสา์ บ, บอกว่าวิชาการเนี่ยอย่าไปแสดงเรื่อยเปื่อยให้มันมีความรู้ที่ชัดเจนตรวจสอบข้อมูลหลักฐานให้ชัดเนี่ยไม่ใช่พูดพรง่พรงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านพระธรรมพิโดกว่าวิชาการไม่สำคัญเนเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เลยกลายไปว่าสภาพเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันท้าทายให้เราเนี่ยต้องใช้หลักพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นในการที่เช่นใช้การลามาสูตรไม่เชื่อง่าย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 มาเข้าถึงความรู้ได้แม้แต่ตรัสรูก็อาศัยอยู่ในสมมิิการการรู้จักคิดรู้จักคิดพิจรารณาคิดเป็นก็ขอภัยพูดเรื่องส่วนตัวบ้างความจริงเคยนึกว่าวันวิสาขาบูชาวันมาฆาบูชาวันสาคัญเนี่ยก็ไม่ให้เรื่องหนักนักเนี่ยมาคุยกับญาติโยมเพราะตมาเองก็แม้แต่โยมที่มาวัดประจาก็ไม่เคยพบกันก็เลยนึกว่าเวลามาพบกันทีก็พูดเรื่องเกี่ยวกับ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 แต่มองไปว่ามันก็เป็นเรื่องความปรารถนาดีบางท่านก็นวิจารณ์บอกเนี่ยเขาโกรธที่พระธรรมปิฎกไม่ยอมมาพบให้สัมภาษณ์เรื่องพรบคณะสงฆ์ว่างั้นเ้าก็เลยไปลงเรื่องพระธรรมปิฎกอาพาธจะแย่อยู่แล้วว่างั้นคือตอนนั้นกําลังมีเรื่องพรบคณะสงฆ์พระท่านก็เล่าบอกว่ามีหนังสื้อพิมพ์เนี่ย ม, มากันเยอะเลยหลายฉบับเดี๋ยวฉบับโน้นมาฉบับนี้ม า, มาจะมาสัมภาษณ์เรื่องพรบ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 แต่นี้ก็ไม่ถือสาเราก็จะไปโทษนึกสื้อพิมพ์คือนึกสือพิมพ์บางทีก็อาจจะไม่ได้เจตนาก็มองไปในแง่ดีว่าท่านที่เขียนข่าวเนี่ยกำลังนึกพถึงพระธรรมป毗 د กอยู่พราะข่าวพระธรรมป毗 د กอาภาตหนักใช่ไหมทีนี้มีพระองค์หนึ่งไปร่วมถแถลงข่าวนึกขึ้นมาชื่ออาตมาก็เข้าไปแทนเลยเนีย <laughs> ก็เลยกลายเป็นพระธรรมป毗 د กไปถแถลงข่าวอย่างนี้เป็นต้น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 ก็เลยเนี önce, <S <S <ets> <S <ed> <S ่ยกลายเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวสารข้อมูลเบื้องต้นทีนี้การใช้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยพวกคนที่เป็นนักใช้ข่าวสารข้อมูลก็ใช้เช่นใช้เพื่อทางไม่ดีก็เช่นใช้ล่อหลออแม้แต่การโฆษณาก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะล่อลออคนเนเพื่อจะให้หลงไปตามใช่ไหมเนี่ยอันั้นก็อยู่ที่ว่าข้อสาคัญเนี่ยในยุคนี้เราจะใช้ปัญญาให้หนัก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 ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ความคิดหรือเรื่องก็โย น, น, นิสมรสิกาญอย่างเรามีคติโยมก็จำกันได้แม่นเราเรามักจะท่องว่าอารคยาปรมาลาภาแต่ที่จริงบาลีนะเป็นอารคยะปรมาลาภาเน่เราก็เพี้ยนหน่อยให้ลิ้นของเราคล่องเราก็เรียกว่าอารคยาปรมาลาภาของพระเรียกว่าอารมคยะปรมาลาภาแปลตามศัพทนะ์นับแลลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง เราก็แปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนี่จำนวนไทยนี่ยอันนี้ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอันนี้นี่ก็ตัวอย่างอันหนึ่งของหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องปัญญาที่อาตมากําลังจะพูดนี้เพื่อให้โยมได้รู้ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคิดและทําความเข้าใจหลายอย่างอันหนึ่งก็คือหนึ่งหลักความจริงสองหลักการปฏิบัติ ซึ่งสองอย่างนี้โยงกันความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจรึงต้องทําอย่างนี้เพราะไฟมันร้อนเรารู้ว่าความจริงคือไฟร้อนแล้วมันเผาไม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ปฏิบัติต่อไฟถูกแล้วเอาไฟไปใช้ประโยชน์ได้เนีเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอย่างน้อยสองอันเนี่ยที่เราจะต้องเข้าใจเวลาพระท่านพูดมาเนี่ยเราจะต้องมองว่าอ้ออันนี้ท่านกําลังพูดถึงหลักความจริงหรือ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 นำไปสู่ความมโมาหลงประมาทนะประมาทในความไม่มีโรคฉันมีสุขภาพดีแล้วก็เคลินเลยนะีอันนี้ถ้าเนเรียกว่ามีอโยนิสมรสิการคือขาดโยนิสมรจิการไม่รู้จะคิดเกิดความโมโหลงประมาททีนี้ตรงข้ามถ้าเป็นคนที่มีโรคก็เลยเสียใจโอ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเราเป็นคนมีโรคมากเราแย่แล้วใช่ไหม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 อารมคยัปรมาลาภาเนี่ยในพระสูตรที่แท้ท่านมาคันธยสูตรเนี่ยหมายถึงพระนิพพานเลยนิพพานเพระาะฉะนั้นต่อจากอารมคยัปรมาลาภาจึงมีคําว่านิพพานนางปรามังสุขังเพต่อความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งลงท้ายว่า น, นิพพานเป็นบรมสุขเนี่ยันนี้ความไม่มีโรคเป็นลาภอุภศเบรข์ในระดับคนทั่วไปเนี่ยนี่ยอันนี้เมื่อกี้เป็นอายนิสมรจิการคิดไม่เป็น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 พระพุทธเจ้าให้ทางเราไว้แล้วนี่เมือ่อความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประโยชน์เมื่อท่านมีโรคท่านก็ต้องทําโรคให้เป็นลาภเพราะนัดินี่คือหลักพระพุทธศาสนานะ เ, าเราเป็นคนมีโรคมากเราต้องรู้จักทําโรคนี้ให้เป็นลาภนะแล้วมันก็มีทางทําเยอะนะในทางพพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีทางสิ้นหวังเลยคน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 ปัจจัยให้เราได้โลคได้ลาบอันประเสริฐกว่านั้นคือความไม่มีโรคทางจิตก็ได้ใช่ไหมแน่เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ทางพุทธศาสนาบอกว่าไม่ให้คนสิ้นหวังแล้วโยมก็บอกอา้าวทำไมว่าอย่างนั้นล่ะทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าหลักนี่ถือว่าคนไม่มีความหวังสิพระอรหันต์เป็นคนไม่มีความหวังจึงจะถูกต้องทําไมท่านบอกว่าให้อยู่ด้วยความหวังเออเอาอละเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักแยกแยะนี่แหละ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 ถ้าเราเข้าใจผิดเรานึกว่าเป็นประเภทที่หนึ่งใช่ไหมที่จริงไอ้ประเภทหนึ่งก็ที่สีมม่มันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมแต่ไม่มีหวังเหมือนกันการใดไม่มีหวังของประเภทที่สี่นี่คือไม่ต้องอาศัยความหวงังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวงังท่านแต่เปลี่ยนในปัจจุบันอยู่แล้วจะเป็นผู้อิสระจากความหวงังแต่คน <S <S พวกที่หนึ่งนี่แย่ที่สุดเลยใช่ไหมตัวเองก็ยังต้องอยู่ด้วยความหวงังแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะหวังได้เลยใช่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 พุทธภาษิต ท, ที่มีอยู่เสมอเช่นอย่างพุทธภาษิตบทหนึ่งเนะี่ยหลายท่านบางท่านอาจจะรู้ก็ได้บอกอาสิงเสถทวะปุริโสณนะนิพพนณนะนิพพินไทยปันดิตโตปัสสามิโบหังอัตตานังยะถาอิชิงตถาอหุนะก็แปลว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปไม่ควรท้อแท้เนะ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 วิสาขาบูชาเนี่ยนําบุญกุศลความดีงามและความสุขมาให้แก่โยมทุกคนแล้วก็ในครอบครัวเป็นต้นไปเลยให้ลูกกับพ่อแม่นี่รักใคร่กันดีมีความสุขด้วยกันนะีแล้วก็เริ่มตั้งแต่เนี้ยมาทําบุญด้วยกันก็หวังว่ามาทําบุญด้วยกันจะดีที่สุดนะีลูกพ่อแม่มาทําบุญด้วยกันก็มีความสุขด้วยกันต่อไปก็บุญที่ทําด้วยกันก็เป็นฐานของความเจริญงอกงาม ก็ลูกก็ให้เจริญเติบโตดีมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เราห่วงกันนักหนาว่ามีปัญหาเยอะแยะนี้ก็ขอให้เรารู้ล่วงปัญหาไปด้วยการใช้หลักพระพุทธศาสนานี่แหละนีมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาใชใ้ถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวนีชาวพุทธจะต้องแก้ปัญหาได้และประสบความสําเร็จก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่าน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 แผ่ประโยชน์สุขให้ขยายภัยสารออกไปมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสมณาสัพพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมือ่อเทิน